พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24เมษายน2559ัเมีชื่อเรื่องว่าสอนวิธีขุดทอ ง, เ อ, อ ง, อองเอาหมดแล้วยังพร้อมมั้ยยังถ้าหมดแล้วก็ เดี๋ยวนี้ MP3 พของหลวงพ่อในทั้งหมดมีอยู่90แผ่นนะแต่รวมทั้งโดนจิตโดนใจแล้วก็ น, นังสื อ, องานของหลวงหลวงตาบันทึกความจำของข้าพเจ้าและกับหลว ง, งปู่จามด้วยรวมแล้วหลวงพ่อออก MP3 เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งหมดร0 4แผ่นน ะ, ะแต่วัน ก่อนหลังวันงานนะผมก็จะรวบรวมเป็นกระเป๋าใหญ่เลยนะกระเป๋าใหญ่คือว่าปีหนึ่งจะมีควรจะมีชุดชุดหนึ่งแต่กระเป๋านั้นมีอยู่ร้อยสี่แผ่นอยู่ในกระเป๋าน่ะเห็นในแปลว่าปีหนึ่งจะรวบรวมให้ได้แต่มีอยู่สามร้อยกระเป๋านะอพอเหตุอะไรเพราะกระเป๋ามันเกือบพันกว่าบาทได้ลูกหลานเน อ, อกระเป๋าหนึ่งสามพันกว่าบาท เพราะนั้นหลวงพ่อเลยที่แรกเขาวว่าถ้าไม่ทำถึง500ร้อยกระเป๋าเขาจะไม่ทำบริษัทโวยบัวท่ำกับบัวท่ำแล้วมันแพงโพดวะก็เลยต่อรองได้เขาก็เลยทำให้300ร้อเอกระเป๋าเนี่ยแหละงานเสร็จเขาคงจะส่งมากระเป๋าใหญ่หลวงพอเานี่ย็กระเป๋าใหญ่น ก, หญนกระเป๋าใหญ่นะั้นมีทั้งหมดร้อยสแผ่น แต่เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทั้งหมดเดี๋ยวนี้เ0แผ่นแต่ว่าถ้าว่ารวมทั้งชาดกด้วยรวมทั้งถอดออกมาจากเอ็สแผ่นต่างๆแต่ว่าธรรมะชุดโดนใจธรรมะอะไรรวมกันแล้วเป็นร0 4สแผ่น เอาไปศึกษานะลูกหลานนะหลวงพ่อคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการแจกธรรมะแจกหลักเหตุผลถ้าหาว่าแจกกระต้มขนมพวกเราทานกินไปแล้วก็จบจบไปถึงจะอร่อยอร่อยก็เพียงชั่วครู่ชั่วขณะแต่ถ้าหากว่าธรรมะเนี่ยคำไหนที่เราอ่านไปแล้วประทับใจอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะ อ, อย่างท่งพ่อบอก เมื่อส่งสินค้าออกนอกเราได้เราจะได้กำไรพอส่งข้าวออกไปขายข้างนอกส่งสินค้าออกไปนอกเราได้กำไรแต่ถ้าว่าส่งใจออกไปข้างนอกมากๆเป็นบาเห็นบางคนเป็นบาเป็คนไม่มีสติคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติมากๆก็เป็นบาได้เพราะนั้นก็คนส่งจิตออกนอก มีแต่ขาดทุนเพราะนั่นอันนี้แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราฟังดูแล้วใช่ถ้าเราคิดปรุงฟุ้งทั้งวีทั้งวันเน่เดี๋ยวเราจะขาดทุนนะเนี่ยเราก็ควรจะย้อนเข้ามาหาตัวเองนั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแหละจะได้กำไรหละท่นเพียงเราฟังเพียงคำเดียวเท่านี้ถ้านาไปประพฤติปฏิบัตินะพวกเราก็จะ ได้รับผลเออทำคำพูดของหลวงพ่อเพียงคำสั้นๆก็มีประโยชน์ออมีประโยชน์สำหรับพวกเราเออนี่เราหลวลงพ่อบอกอดทอนหออลวงพ่อพูดมาตั้งแต่ปี เ, ออเท่าไหร่ปี 15-16 ที่ไปออบ้านวังแค่เดี๋ยวนี้คนก็ยังตามมายโย่ได้ฟัง MP3 ส แผ่นนั้นละหลวงพอว่อบอกว่าให้อดทนนำมาใช้ก็เกิดประโยชน์จริงๆแต่ไม่อยูออ่ในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่ามีผู้นำมาพูดปัดฝุนพูดขึ้นมาอย่างหลวงพ่อพูดอดทนไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าความอดทนถ้าว่าเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยา แต่มีแต่ใช้อารมณ์โมโหโกทาใส่กันแตกแยกส ม, มาคีกันได้ง่ายแต่ถึงยังไงเอาเถอะเออเรามีความอดทนพ่อบ้านก็อดทนแม่บ้านก็อดทนออถ้าลูกไม่ดีขึ้นมาก็เอาช่วยกันอดทนออลูก อ, อ, อยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ดูดาว่าเกาก็อดทนออลูกศิษย์ลูกหายอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อดทนครูบาอาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ก็ต่างคนก็ต่างอดทน ถ้าทุกคนมีความอดทนกันอยู่ด้วยกันถึงจะเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเล็กได้หรือหายไปเลยต่อไปก็นำเมื่อเรามานำมาพิจารณานด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ดีมีประโยชน์แล้วก็หยุดหยุดโกรธโมโหโกธาในเรื่องนั้นแต่ว่ายังมีมันยังมีโทษอยู่ควรจะตัดยังไงควรจะทำยังไงอันนั้นก็ พิจารณากันอีกทีหนึงพิจารณาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังพลิกจังไหงยังไงมันก็ยังเป็นโทษอยู่นะอให้ใครมาพิจารณาช่วยดูซิใครใครมาพิจารณาช่วยก็มันเป็นโทษไม่ควรจะเอาไว้นะออย่างพวกเราเป็นมะเร็งในหัวแม่เท้าจยางเนี่ยนะหมอคนไหนคนไหนก็มาบอกไม่ได้นะี่อันนี้มันมีเชื้อมะเร็ง อ, อยู่ในหัวแม่เท้าเนะี่ย ถ้านเนาไว้ไม่ได้ไมันจะลุกล้ำพอไปหาส่วนอื่นของร่างกายนะไปถามหมอตีไปถามหมอใหญ่หมอน้อยที่ไหนๆก็ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วจะทำยังไงถึงจะเราจะรักหัวแม่เท้าเราขนาดไหนรักขนาดไหนรักหัวแม่เท้านะใครจะไม่รักหัวแม่เท้าตัวเองใช่ไหมเพราะออกมาจากท้องแม่ตั้งแต่วันเกิดแต่จำเป็นก็ต้องตัดทิ้งไพราะเพราะว่ามันจะเป็นโทษ ต่อร่างกายส่วนอื่นถ้าเรารักส่วนร่างกายส่วนอื่นจยู่แล้วต้องตัดทิ้งต้องรักษานี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราพิจารณาทีทวนแล้วเราก็ไม่ควรจะอดทนเหมือนกันเราต้องใช้ปัญญาในความอดทนนั้นนั้นไม่ใช่ว่าดูยังไงก็ให้อดทนไปก็ไม่ใช่นะลูกหลานนะหลวงพ่อไม่สอนให้โง่ถึงขนาดนั้นนะหลวงพ่อให้ใช้ปัญญาให้ฉลาดนะ วันนี้เป็นวันที่24เมษายนพุทธศักราช2559วันที่26สวดมนต์เย็นนะคณะสัายาติโยมลูกหลานขอประกาศแจ้งข่าวาให้คณะสัตยาติโยมผู้ใดใครที่จะมาร่วมงานวันเกิดของหลวงพ่ อ, อก็ได้แต่หลวงพ่อย้ำเตือนอีกว่า หลวงพ่อไม่มีบัตรเชิญไม่มีผู้ใดมากัแบบมาแบบญาติธรรมญาติโกโหติกาเป็นญาติพี่น้องลูกหลานของหลวงพ่อแล้วเป็นผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อเชิญเข้ามาได้ในงานวันเกิดของหลวงพ่อปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งวันที่26สิวดมนต์เย็นวันที่27เจ็ดถวายพัฒฐานเช้า จากนั้นก็จะมีการแจกของที่ลำเลึกอย่างวันนี้ที่หลวงพ่อแจกเนี่ยนะมีเมี m.p. 3บ้างมีหนังสือบ้างแต่วันนั้นคงจะมีละหลายอย่างที่พวกเราจะแจกเป็นของทีละลึกนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวแจ้งข่าวให้คณะสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนแต่ผู้ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องหนักใจที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้น หลวงพ่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจกระหลวงพ่อนะอผงหลวงพ่อเป็นของหลวงพ่อเองแต่หากว่าลูกหลานผู้ใดมีเวลาว่างพอที่จะมาพบมาเจอกันก็มาพบมาเจอกันก็ได้นะ่ะ อ, อย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าแก้วบ่อคัดสปีเป็นแห่พี่น้องบ่แวบบ่อแวแวมาเวียนมาเยี่ยมกัน 3ปีเป็นคนอื่นสามปีเป็นเพลนแก้วพ่คัด3ปีเป็นแฮพี่น้องประแวะแวหากัน3ปีเป็นเพิลน อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะเมื่อลูกศิษย์ลูกหาคณะทศไทยญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นกันก็เอออ้าวปีนี้ว่างมากะมาเยี่ยมวันเกิดหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ไกลมาไม่ได้เออเขาลบ เข้าลบหลวงพ่ออยู่ได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่าคำแนะนำสั่งสอนของหลวงพ่อมีประโยชน์ถ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าผู้ขามาไม่ได้อยู่ไกลหรือไม่สบายหรือไ ม, ไม่ไม่พร้อมออหลวงพ่ อ, อ, อถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ลูกหลานทุกคนที่ไม่พร้อมที่จะมาให้ให้ประกอบคุณงามความดีจะเป็นอะไรก็ได้ ที่เป็นคุณงามความดีดูแลอุ ป, ปถัมภ์ปฐากคุณพ่อคุณแม่ของตอนเองหรือหรือว่าไปจังหันไปทำบุญทำทานหรือตักบาตรตอนเช้ากับพระสงฆ์ที่มาบินเทาตาที่หน้าบ้านหลัลึกถึงวันเกิดของหลวงพ่อก็ได้ทามากกว่านั้นก็ให้ลูกหลานไหว้พระ ส, สวดมนต์แต่เช้าวันที่ 26-27 ิบก่นะจากนั้นก็ ตั้งจิตอธิษฐานวิรจเจตนานะโมตัสสะปะกวโตเสร็จแล้วกับพุทธังธรรมังสังขังรุติตาติสังขังสรางกัจามิกันกับปานาติปาตาเวรมเนีอธินาธานาเวรมะนีจนถึงสุราเมริยมระมชะปมาหรือว่าจะรักษาศินอุโบโสดก็ได้แล้วก็อิมานิปัญจะศีขาปทานิสมาธิยามิ เรว่าอิมานิอัตถสิกขาประธานิสมาธิยามิถ้าผู้รักษาสิ่เปลีนอัตถสิกขาถ้าผู้รักษาสิ่งห้าปัญจศีลาสมาธิยามิข้าพเจ้ารักษาศิ่งห้าในวันเกิดของหลวงพ่อเพื่อเป็นการถวายแหมมอบบุญกุศลที่ข้าพเจ้าวถวายหลวงพ่อเพียงแค่นี้แหละหลวงพ่อโอโหพออกพอใจ ปรับคณะจทหายาตโยมลูกหลานทุกคนเลยนะถ้าหากว่าได้เพียงแค่นี้ไม่ต้องมาก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานคณะจตหายาตโยมผู้ที่มาหรือไม่ได้มาก็ให้ทำใจให้ประกอบให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญคุศลเอาไว้แล้วก็ธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่ว่าทั้งหมดรวมกันนะ เดี๋ยวนี้ได้90แผ่นที่เป็นธรรมเทศนาแต่รวมทั้งธรรมะชุดตวนโดนโด น, โดนใจบันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าหรือว่างานของหลวงปู่จามรวมกันแล้วทั้งหมดนะทั้งชาดกด้วยนะถ้าจุกมีอยู่8แผ่นแล้วนะรวมกันทั้งหมดรวมกันเข้าไปแล้วก็ร้อยแผ่น ธรรมเทศนาแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมากที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปในเมื่อพวกลูกหลานได้รับแผ่นไหนในธรรมเทศนาของหลวงพ่อนะ่ะเป็นการกระทบกระเทียบเป็นการไม่เป็นธรรมหรือว่าได้ฟังแล้วไม่เป็นธรรมขัดต่อหลักพระธรรมไปไหนขัดต่อหลักศีลธรรมขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองอที่หลวงพ่อพูดไปนี่ หลวงพ่อก็อยากจะให้พวกลูกหลานฟังแล้วให้ย้อนกลับมาหาหลวงพ่อได้นะ เ, เขียนจดหมายมาก็ได้นะข้อธรรมข้อนี้ที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วมันขัดต่อลักธรรมทีม่ไหนถักขัดต่อคำคำสอนของพระพุทธเจ้าขัดต่อลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อของเราได้พูดไปนี่หนะลวงพ่อก็จะได้นำมาเอานำมาทบทวนนะ แต่ตรงเดียวนี้นะที่หลวงพ่อพูดไปนะเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะท้วงติงมาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อให้ธรรมะไปก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่ า, าการให้ธรรมะให้แนวความคิดสําหรับพี่น้องประชาชนสัทยาญาติโยมพอหลวงพ่อได้ทําหน้าที่จุดนี้แล้ว หลวงพ่ อ, อข้าพรเจ้าหลวงพ่ออินได้ฝังตัวฟักตัวไว้ในพระพุทธศาสนาได้ประพฤติศินประพฤติ ธ, ธรรมได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาธรรมะจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ยังมาออกมาถ่ายทอดถ่ายเทให้เป็นเอ็มพีสาวให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อก็น่าจะเพียงพอนะ เป็นที่พอใจพอเราใช้ใช้ทุนใช้หนี้คืนออหรือว่าทดแทนบุญคุณที่พวกที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาออจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ อ, อ, อัดเอ็พีสาเพราะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรนะคณะทศัทา ญ, ญาติโยมพออัดแจกออกไปอย่างนี้นู่นออในต่างประเทศอังกฤษอเมริกาที่หลวงพ่อพูดวันนี้นู่นงไป ทุกหัวและแห่งของโลกเลยนะเพราะมันออกทางโซเชียลนะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรมากมายที่ลูกหลานได้ยินได้ฟังหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าโซเจ้าได้ฟังแล้วทรงส่ ง, ส ง, สงจตุปัจจัยมาถวายหลวงพ่อนะเพื่อเป็นค่าการเทศเป็นค่าค่าธรรมะหนะลวงพ่อไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวนะมีแต่ให้ลูกหลานเป็นคนดี เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรร ม, รรมจริยธรรมที่ดีเพียงแค่นั้นละ่ะหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจอกับธรรมคำสอนที่หลวงพ่อได้นำพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกมาประกาศบอกกล่าวให้กับคณะทาญาิโยมลูกหลานได้ศึกษานะแล้วก็การครบค้าสมาคมกันเรืยว่าการครบ เป็นครูบาอาจารย์การครบเป็นหมูเป็นเพื่อนการครบเป็นมิตรเป็นสหายอันนี้การครบคาสมาคมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญนะลูกหลานนะ เ, เราจะไปคบคนใดในหลักธรรมคำสอนของผู้ปฏิจจาวะคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละคนนั้นแหละถ้าเราชบคบคบคนหาสมาคมที่คนชอบก่าวล้าวไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควร แล้วก็นิสัยก็เราก็ก้าวเล้าไปตามนั้นละ่ะฟังฟังไปคนโน้มนะเออใช่ก็เลยทำให้ตัวเองเสียหายได้อีกเหมือนกันนะติดคุกติดตารางได้อีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราเไปคบค้ากับคนขี้เหล้าคนกินเหล้าเมายา อ, อ, อย่างที่พวกเรายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเแต่เราไปคบเพราะในสุดเราก็ต้องติดยากับเขาอีกเหมือนกันถ้าเราเป็นคน ไปคบกับคนการพนันเอเขากอมเช้าขอมเย็นน่าจะได้อย่างนั้นน่าจะแทงหวยอยา่างนี้น่าจะเล่นการพนันตรงนั้นตรงนี้เล่นมา้าตรงนู้นอยาน่างนี้เอราก็ไปฟังเขาอีกผลในส่วนเราก็ไปแทงกับเขาอีกผลในส่วนก็เลยติดการพนันกับเขาไปอีกเนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะฉนั้นให้ลูกหลานที่มาคบกับหลวงพ่อนะีให้พวกลูกหลานสังเกตนะ หลวงพ่อมีแต่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานเป็นคนดีน ะ, ะคิดดีทดําดีพูดดีนะลูกหลานน ะ, อ, ะอย่าไปทําที่มันออกนอกลูก่นอกทางสิ่งที่มันไม่ดีลูกหลานทั้งหลายอย่าทำนะถ้าทําเข้าไปเดือดอร้อนควรปฏิบัติตนยังไงกับพ่อแม่ควรปฏิบัติตนอย่างไงในสามีภรรยาปฏิบัติตนยังไงกับวบตตงศ า, าตตงงก้บบานายาติปฏิบัติตนยังไงต่อประเทศชาติบ้านเมือง หลวงพ่อโพสใน MP3 ของหลวงพ่อให้ลูกหลานได้ฟังมีทั้งชาดกมีทั้งปัจจุบันมีทั้งแนวความคิดม า, ม, ามากมายลหลายอย่างทีเดียวเพราะันให้ลูกหลานศึกษานะฟังนะท่าลูกหลานฟังแล้วลูกหลานจะได้นําไปเป็นแนวความคิดนะในเมื่อเป็นแนวความคิดมันไม่ใช่ของหลวงพ่อแล้วสิะมันเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายมันเป็นสมบัติ ที่พวกเราท่านทั้งหลายาได้ไปขุดทองอที่หลวงพ่อไปพูดในตำรับตอลาพูดไว้แต่พวกเราไปอ่านไปศึกษาแล้วเหมือนกับเราไปขุดทองแล้วก็นำม า, าทำเครื่องประดับแล้วก็เป็นสินค้ า, าแล้วก็เป็นสมบัติของตนเองนานเท่านานหลวงพ่อเองไม่เคยจะไปแบ่งสันปันส่วนนะลูกหลานนะหลวงพ่อให้ธรรมะไปแล้วก็จบไปอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านก็แนะนําสั่งสอนเป็นธรรมะกลางๆจากนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นวงหลวงตาหลวงปู่ล่าที่ท่านก็เอาทำคําสอนของอพระพุทธเจ้า อ, ออกมาอบอกกล่าวหลวงพ่อก็เข้าไปศึกษาหลวงพ่อก็ไปศึกษากับหลวงตาหลวงปู่ล่าคู่บาาา่ายจันหลวงปู่ยามหลายๆวงที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาจากนั้นก็ได้ธรรมะทําคําสอนออกมา พอาได้ทา ค, คำสอนครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ล้มหายตายจากไปแล้วท่านก็ไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากหลวงพ่อนะในเมื่อหลวงพ่อได้มาแล้วอมืมีประโยชน์ที่หลวงเราได้ศึกษาได้ฟังมาเนี่ยเราน่าจะแจกจ่ายให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอออีก เ, เ, เพื่อลูกหลานพูกมีอุปนิสัยจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติให้ทานอย่างนี้นะลูกหลานนะ จึงจะมีจึงจะได้บุญมากทายกอย่างนี้ปะทิคาหอย่างนี้ เ, เนื้อนาอย่างนี้พันพืชอย่างนี้หวานลงไปเนื้ อ, น, อนาที่ดีจะนมีผลงอกเงยอย่างนี้ถ้าเราไปหวานข้าป่ายา่้าแฝกยาคาป่าดงมันจะไม่เกิดนะมันได้ผลน้อยมากนะเผ่อๆไม่ได้ผลเลยนะ อ, อันนี้นะคือท่านศะีลรัก ส, สำรวมกายวายจานะลูกหลานนะ ถ้าเราสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีสินแล้วคนที่มีศินจะไม่ติดคุกติดตารางนะลูกหลานนะเพราะเป็นคนดีไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเป็นผู้มีศินเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะลูกหลานนะ อ, อันนี้ศินเนีเรื่องภาวนาสัมรวมกายวาจาใจของตนเองนะสัมรวมใจของตนเองนะลูกหลานนะจะไปสงใจออกไปนอกนะถ้าใจสงใจออกนอกเนีขาดทุนนะ ไม่เหมือนสงสินค้านะันหลวงพ่อก็บอกกล่าวที่เด่นฟังทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็มาถ่ายทอดให้ลูกหลานกนัตถายาิโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่มาเข้ามาศึกษามาฟังออโอวาทของหลวงพ่อนะให้ลูกหลานสังเกตดูนะจีหลวงพ่อมอบไพ่อีพีสาไปฟังไปศึกษาและเวลาฟังเนี่ยฟังอยูใ่ในที่เงียบสง บ, สงบที่นิ่ง เออเลือกฟังอยู่ในรถเปิดไปแล้วก็ฟังไปอย่าไปคุยกันขณะที่ฟังเทศนะอย่าไปคุยกันให้งดการคุยกันไปก่อนเพราะเราคุยกันจนพอแรงแล้วละ่ะจนจะทะเลาะกันแต่บัดนี้เราฟังเทศดูในความสงบพอฟังเทศจบแล้วเออมีอะไรยังค่อยพูดพูดคุยกันนี่แหละถ้าว่าพวกเราฟังสุ ส, สังลัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญา นี่แหละสุดตรรมยปัญญาจินตรรมะปัญญ า, า, ญญาภาวนามยปัญญาถ้าเราฟังด้ดีจะเกิดปัญญานะลูกหลานนะฟังธรรมเทศนาผมนั้นขอฝากไว้กับพวกลูกลูกหลานทุ ก, ท, กทุกคู่ทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่24แล้วอีกไม่กี่วันอีกวันสองวันก็เป็นวันงานแหละผมนั้นขอให้ลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะจะเป็นโรงอาหาร มาเลี้ยงแขกเลี้ยงโคนกัเริ่มเริ่มได้นะเนิรลูกหลานเนิรเพราะคนมันพุน่น เ, เข้ามาเกี่ยวข้องมากออคงจะมีอาหารเลี้ยงเลี้ยงกันนั่นแหละออแล้วก็พร้อมกันผู้ที่อยู่หัวในวัดออไม่ใช่ว่าจะมาแล้วแคกินอาหารแล้วก็เดินวกืนเวียนไปมันต้องมาช่วยงานนะ อ, อ, อย่างน้อยก็ไปปัดกวาดทาความสะอาดให้เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับตนเองเออไม่ใช่ว่ามาโตโตเตเ ต, ต, ตมาเที่ยวมาเล่นไม่ใช่นะ สถานที่วัดไม่ใช่มาะถาน ท, ที่เที่ยวที่เล่นเป็นสถานที่มาซื่อเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเข้าสู่จิตใจมันจึงจะถูกนะไม่ใช่สถานที่ทเที่ยวเล่นตรงนี้นะเพราะนั้นเรามาวันนี้เราไม่ได้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วเนะี่ยเขาตั้งโรงทานเราได้กินก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้าง อ, อ, อย่างน้อยก็ล้างถ้วยล้างทานล้างชาบ แล้วก็หอบใบไม้เก็บใบไม้ทําความสะอาดอช่วยหอ้งหองน้ำห้องน้ําล้างสะอาดทําความห้องน้ำํำมันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเลยไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วโตโตเต๋มาให้เขาลบต่างหากลกวัดอีกลบที่ดินอีกต่างหากแต่มากินข้าวเสร็จแล้วยังไปหาถ่ายีนห้องน้ําไปห้องห้องสวมเขาเสียน้ำเขาเอีกเสียห้องสวมเขาเอีก ไปว่าไร้ประโยชน์ตัวเองคงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเข้ามาสูว่วัดวาศาสานาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยสอนให้คนคิดเนี่ยสอนให้คนประกอบคุณงามความดีสอนให้สั่งสมบุญกุศลถ้ามาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยถ้าหาว่าพวกเราถือว่าหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นหลวงพ่อของพวกท่านทั้งหลายเมื่อท่านเข้ามาหาบ้านพ่อเนี่ยไม่ควรจะเบ่งไม่ควรจะมีศักดิ์ศีนะ มีอะไรทำได้หมดทุกอย่างเหมือนหลวงพ่อเขาไปหาหลวงตาถ้าเขาไปหาวัดหลวงตาหลวงพ่อล้างห้องน้ำก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดเก็บขยะก็ได้เพราะเหตุไรเพราะเราถือว่าเราเป็นลูกหลานของอพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์เราเป็นเด็กของท่านาถ้าเรายอมให้เราเป็นเด็กอย่างนั้นก็เอาเราทำได้นะาถาว่าข้าเป็นผู้มีศักดิ์ศรี ข้าเป็นผู้มีเกียรติมียศคนหนึ่งจากนั้นเราทำอะไรไม่ได้ละงงแง่งไปหมดเลยเพื่อเผื่ทะเลาะกับคนอื่นเขาอีกต่างหากไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะะตอนนี่ไปรับพรประสงค์อนุโมทนาให้พรวันนี้พระสงฆ์ทั้งหมด64ี่รูปนั้นลูกหนะลกานนะพระ64สสัมมเนสอง